อ้าเดี๋ยวเรียนกันต่อไปนะครับตอนนี้เราเรียนมาถึงหน้าที่สองรยวยตานุปัสนาสูตรการตามรู้การพิจารณาธรรมะว่ามีอยู่สองข้างสองขั่วัวโลกิยาั่วโลกุสระคั่วทุกข์กับความพ้นทุกข์นะขั่วความเกิดของทุกข์กับความดับสนิทของกองทุกข์นะตอนนี้เรียน ได้สองหมวดแล้วต่อไปหมวดที่3ในหน้าที่สองนะครับพอเรียนเข้าใจหมวดที่1กับหมวดที่2แล้วหมวด ต, ต, ต่อไปก็จะเข้าใจไปด้วยแต่ว่าพระองค์แสดงซ้ำๆกันไว้เพื่อเสริมความเข้าใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นเวลาเราเข้าใจหรือว่าเราเรียนไปแล้วก็จับใจความเอาหมวดใดหมวดหนึ่งก็ใช้ได้แล้วนะครับต่อไปหมวดที่3อ่านพร้อมกันสิยาอันเยนปิ ปริยาเยนะสัมมาดวยตานุปัสนาติอิติเจพิกเวปุจิตาโรอัตสุสิยาติสุวจนียากะทันจศสิยายังกินจิดุ ข, ขังสัมโพติสับวังอวิชาปัจจยาติอายเมีกานุปัสนา อวิชายะเววะอเสสะวิราคะนิโรธานัตติดุขัสสะสัมพโวติอายังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาดวายตานุปัสสโนอาถถปรังเอตนดาวจะสัทธาต่อไปก็เป็นชุดที่สามนะครับ สิยาอันเยนะปิปริยาเยนะสัมมาดวยตานุปัสนาติอิติเจพิกเวปุจจิตาโรอัตสุดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าพึงมีผู้ถามดังนี้ว่าการตามรู้ธรรมะว่ามีสองข้างโดยชอบในแง่มุมอื่นมีอีกหรือไม่อันเยนะปิ ป, ปริยาเยนะ โดยปริยายอื่นโดยเหตุอื่นในแง่มุมอื่นในมุมมองอื่นมีอีกไหมสิยาติดสุวัจนียาพึงตอบกับเขาว่ามีอยู่เนี yeah. ่ยมองอีกแง่มุมหนึ่งแท้ที่จริงก็อันเดียวกันนี่แหละแต่มองคนละแง่คนละมุมกันพอมองคนละแง่คนละมุมก็ท้ายที่จริงก็คือสภาวธรรมก็อันเดียวกันหรือว่าเป็นบางส่วนของกันและกันถ้าเข้าใจอันนี้แล้วก็เข้าใจอันนั้นเข้าใจอันนั้นแล้วก็เข้าใจอันนี้ เข้าใจอันใดอันหนึ่งแล้วก็ถือว่าเข้าใจทั้งหมดแล้วทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงโดยปริยายอื่นคือแง่มุมอื่นเท่านั้นเองถ้าท่านเข้าใจในแง่มุมที่1ที่สองมาแล้วแง่มุมต่อไปก็เข้าใจได้แล้วไม่ยากนะอันนี้ประพสูตรนี้ก็จะมีประโยชน์ในแง่ของมุมมองเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นรู้จักธรรมะว่ามันมีสองข้างตามที่มันเป็นจริงมันมีสองข้างจริงจนะมีท้งโลกกับเหนือโลกด้วยนะ มีสุขทุกดีชั่วกับเหนือสุขทุกเหนือดีเหนือชั่วจริงๆนะไม่ใช่วนๆเวียนๆอยู่ข้างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกข้างหนึ่งมีไม่ใช่จมอยู่ในน้ําแล้วก็ไม่รู้ว่าบนบกมีไม่ใช่อย่างนั้นนะในน้ําที่จมๆอยู่ก็มีนะบนบกก็มีเหมือนกันทํำนองนี้ไม่ใช่ลอยอยู่แต่ในน้ําจมอยู่แต่ในน้ําเลยไม่รู้ว่าบกมันมีอันนี้มันก็ลําหวากเหมือนกันนะครับฉะนั้นฟังสองข้างเอาไว้อันนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับเราทั้งหลายนะ ถ้ามีคนถามว่าการตามรู้ว่าธรรมะมีสองข้างโดยถูกต้องในแง่มุมอื่นมีอีกไหมเธอทั้งหลายก็พึงตอบเขาว่ามีอยู่ถ้าเขาถามว่ากัทธนจะศิยามีอยู่อย่างไรเล่าก็พึงตอบเขาว่ายังกินจิดุ ข, ขังสัมโพติสับบางอาวิชาปัจญญาติอายเมกานุปัสนา ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่งนะทุกทุกอย่างทุกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าทุกอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้อริยสัจเพราะ ไม่รู้ทุกไม่รู้ทุกขะสมุทยัยไม่รู้ทุกขะนิโรธะไม่รู้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาทุกทุกอันนะั้นนะเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยอันนี้ข้างที่หนึ่งอีกข้างหนึ่งอวิชชายะตเววะอาสะวิราขะนิโรธานัตติดุขะสัมภวติออยังดุติยานุปัสนา เพราะความดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข็กย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองนะทำให้มันดับสนิทนะดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่เหลือของอวิชชานั้นนั่นแหละสํารอกอวิชชาทำอวิชชาให้มันหมดไปโดยทำวิชชาให้มันเกิดขึ้น นะทุกเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเราก็มาเอาอาวิชชานั้นออกสํารอกอวิชชาไปโดยทําวิชาให้เกิดพอวิชามันเกิดขึ้นจนเต็มสมบูรณ์หมดอวิชชาไปความเกิดขึ้นของกองทุกย่อมไม่มีเท่านี้แหละนะถ้าสมมุติในแง่ของความมืดความสว่างอาวิชชาเหมือนความมืดวิชาเป็นความสว่างอย่างนี้ทุกมันเกิดขึ้นเพราะความมืด เราก็ขจัดความมืดออกไปโดยใส่แสงสว่างเข้ามาความเกิดขึ้นของทุกของเรื่องราวต่างๆก็ไม่มีก็จบกันเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับทุกด้วยเพราะทุกมันเกิดขึ้นเพราะความมืดใช่ไหมเราทำให้มันสว่างก็ไม่มีทุกก็จบแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือไม่ได้ทำอะไรกับทุกเลยทานองนี้นะมันมืดไม่ได้ไปทำอะไรกับความมืดทำให้มันสว่าง แล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับทุกข์ด้วยพอมันสว่างมันก็ไม่มีทุกข์เกิดมันก็เลยไม่มีอะไรทํานองนีน้ตอนมันมืดเราก็นึกว่ามีอะไรอยู่วนๆเ ว, ว, ว, วียนๆอยู่ไม่รู้หัวหมุนวนเวียนต่อยนั่นตีนี่ไปเรื่อยพอมีแสงสว่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรต้องทําก็จบแหละนีน่ข้างหนึ่งมันหัวหมุนวนเวียนไปเนาะโอ้ยเนี่ยลําบากลําบนน่าดูนะอีกข้างหนึ่งไม่ดูท่าจะสบายเนาะ เพราะไม่มีอะไรอ่ะก็สว่างแล้วก็แล้วกันไปจบนะทำนองนี้นะครับยังกินจิทุขังสัมโพติสับบางอาวิชาปัจจญาติอายะเมกาหนุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่ง อวิชญาตเววะอาเสสะวิราคะนิโรธานัตติดุขะสะสัมโวติอายังตุติยานุปัสนาเพราะความดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชานั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของกองทุกข์ย่อมไม่มีดังนี้นี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองนะอาเสสะวิราคะนิโรธา ทำให้มันดับสนิทโดยการสํารอกวิราคะก็แปลว่าสํารอกสํารอกนี่เป็นคําแบบโบราณโบราณหน่อยทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่เช่นเราสํารอกของที่อยู่ในคอเราที่เราไม่ต้องการนี่ออกไปขากทุยอะไรเงี้ยนะคำนี้แหละเรียกวิราคะนะก็คือของที่เราไม่ต้องการเราก็เอาออกเนี่ยอันนี้นะครับคือเราเห็นมันตามที่เป็นจริงนะทำให้มันหมดไปสํารอกออกไป แต่เดิมคล้ายๆกับมันอยู่ในเรานี่แหละแต่ว่าเราไม่ต้องการและของที่เราไม่ต้องการเราก็เอาออกความหมายคืออย่างนั้นนะนะครับท่านทั้งหลายต้องการทุกไหมล่ะอ่าก็สำรอกออกก็ท่า น, นั้นง่ายนิดเดียว <c oughs> ง่ายนิดเดียวแต่ยากมากนะอันนี้เป็นหลักการนะครับทำได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะเอวังสัมมาทวยตานุปัสสินโนไปเรื่อยๆนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เป็นผู้มีปกติตามรู้โดยธรรมะที่มีสองข้างโดยถูกต้องอยู่อย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสก็เหมือนเดิมะนะเนี่ยมีจิตที่ตั้งมั่นส่งไปแล้วก็สามารถหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการคือเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือว่ามีความยึดถือเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี ก็จบในหมวดที่3นี้พระองค์ก็จะได้ตรัสคาถาต่อไปในบาลีข้อ735กับ736นะครับฉะนั้นเวลาขยายความก็ได้บรรยากาศอย่างหนึ่งนะเวลาตรัสเป็นคาถาก็ได้บรรยากาศอย่างหนึ่งนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมะหลากหลายมีทั้งแสดงธรรมดาทั่วไปย่อๆมีทั้งขยายความมีทั้งคาถาแล้วก็มีทั้ง รูปที่เป็นเคยะให้มันเพาะพริ้งเพื่อว่าเอาไว้ฝึกฝนจิตใจปรับอินทรีย์ของผู้ฟังต่างๆนะครับคือบรรยากาศมันแตกต่างกันนั่นเองนะครับบาลีข้อ375กับ736อ่านพร้อมกันชาติมารณะสังสารังเยววัชนติปุณัะปุนังอิทภาวัญยะถาพาวัง อวิชชาเยวะสาคติอวิชชาหายังมหาโมโหเยนิดังสังสิตังจิรังวิชชาขตาจะเยสัตตานาเตคัดฉันติปุนับพวันตินะบาลีข้อส0 0บาลีข้อ735 ชาติมรณะสังสารังเยวะชันติปุนับปุนังอิทธาพาวัญญาถาภาวังอวิชาเยวะสาคติชนทั้งหลายเหล่าใดย่อมเข้าถึงชาติมรณะและสังสาระบ่อยๆเข้าถึงสภาวะที่มีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นอวิชานั่นแหละเป็นคติของเขานะ เยก็ชนทั้งหลายเหล่าใดว่าชันติย่อมเข้าถึงชาติมรณะสังสารังเข้าถึงชาติมรณะและสังสาระชาติคือความเกิดแห่งกองทุกความเกิดแห่งขันมรณะคือความแตกแห่งขันไม่ใช่ตัวตนอะไรนะชาติความเกิดของขันของกองทุกมรณะก็ความแตกของขันสังสาระก็ความสืบต่อของขัน ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ไปเรื่อยๆไม่มีคนเกิดสัตว์เกิดหรอกเป็นความสืบต่อของขันมันไม่มีสิ้นสุดก็เลยเรียกว่าสังสาระเพื่อให้เห็นว่ามันวนเวียนก็เลยใช้คาว่าสังสารวัปุณปุนางก็แปลว่าบ่อยๆอัญญาถาพาวัญญถาพาวังซึ่งมีสภาวะเป็นอย่างนี้และสภาวะเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นมนุษย์อย่างที่เห็นนี้หรือไม่บางทีก็ไปเป็นหมาเป็นแมวบางทีก็ไปเป็นเทวดาบางทีก็ไปเป็นพรหมนะบางทีก็ชาติคือไปเกิดเป็นเทวดาใช่หหรือว่าบางทีก็มาเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างมนุษย์เป็นอย่างอื่นคือเป็นอย่างเทวดาเป็นอย่างพรหมเป็นอย่างหมาเป็นอย่างแมวเนี่ยชนทั้งหลายเราได้ย่อมเข้าถึงชาติมรณะและสังสาระ ซึ่งมีสภาวะเป็นอย่างนี้เป็นแบบคนเราทั่วไปหรือว่ามีสภาวะเป็นอย่างอื่นเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นหมาเป็นแมวเป็นเปรตอะไรต่างๆบ่อยๆอวิชชาเยวะสาคติอวิชชานั่นแหละเป็นคติของเขาอวิชชานั่นแหละเป็นคติเป็นทางไปหรือก็เป็นทางดำเนินของเขาเขาทำไปตามความไม่รู้ก็เลยได้ชาติมาอยู่เรื่อยได้ตายแล้วก็ สังสาระมีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นได้เป็นมนุษย์บ้างได้เป็นเทวดาบ้างได้เป็นหมาบ้างเป็นแมวบ้างเป็นงูเหลือมบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างแล้วแต่นะเป็นมนุษย์ร่ำรวยอย่างนี้บ้างหรือว่าเป็นอย่างอื่นคือยากจนบ้างก็แล้วแต่นะมีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นวนเวียนไปอวิชชานั่นแหละเป็นคติของเขาเป็นทางไปทางดาเนินการดาเนินชีวิตของเขานั้น เป็นไปตามอํานาจของอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายยังใช้ชีวิตอยู่ตามความไม่รู้อริยสัจนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้มีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นก็มีอยู่เท่านี้แหละนะโอ้โลกมันเป็นอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันก็ได้เท่าเดิมคือไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างอื่นอ้าวแล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างอื่นทําไมจะได้เป็นอย่างอื่นอีก โอ้ยมันไม่รู้จะทํำยังไงพวกนี้มันมีอวิชชาเป็นคติคือเป็นทางไปมองดูก็รู้เลยพวกนี้มันไม่มีอะไรมันไม่มีมีอยู่เท่านี้มันอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นแล้วเพื่อเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นอะลรก็มีแต่ชาติมรณะและสังสาระที่มีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้และอยากให้มันเป็นอย่างไหนก็อยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็มีอยู่เท่านี้แหละตอนนี้เป็นมนุษย์ไม่อยากเป็นมนุษย์ก็อยากไปเป็นเทวดาก็เป็นอย่างนี้ และเป็นอย่างอื่นก็มีอยู่เท่านี้เพราะอะไรจึงอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะความไม่รู้เป็นคติของอวิชชานะเหมือนกับโลกนี่โลกมันเป็นอย่างนี้เราอยากให้โลกมันเป็นอย่างอื่นมันก็มีอย่างนี้กับอย่างอื่นนะจะเอาวันไหนล่ะเนี่ยธรรมนองนี่มันก็มีอยู่เท่านี้อวิชชามันมีอยู่เท่านี้นะฉะนั้นในหลักของคาถาเห็นมมันจะได้บรรยากาศต่างกันนะเพราะว่าคาถานี่จะพูดในทํานอง ซับซ้อนหน่อยหนึ่งนะยิ่งถ้าเข้าใจในรูปภาษาคำอะไรต่างๆที่เล่นคำก็จะไพเราะขึ้นแต่ไม่เป็นไรเอาแค่คำแปลก็พอนะ <c oughs> ต่อไปอวิชชาหายังมหาโมโหเยนิดังสังสิตังจิรังวิชาขตาจจเยสัตตาณนะเตคัดฉันติปุณภพวัง ก็เพราะอาวิชานี้เป็นความมืดอันใหญ่ที่สุดอวิชชาหาอย่างหะหิก็แปลว่าเพราะว่าอาวิชชาอายังอวิชานี้มหาโมโหเป็นความมืดอันใหญ่ที่สุดในบรรดาความมืดทั้งมวลทั้งมวลเนี่ยอวิชชาเป็นมหาโมโหคือความมืดใหญ่ที่สุดที่คลุมใจสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วคลุมแบบเป็นปกติจนเขาไม่รู้ จนกว่าจะมีแสงสว่างคือพระพุทธะเกิดขึ้นแล้วก็มาบอกใหนะ้ไม่อย่างนั้นแล้วชาวโลกและสัตว์ทั้งหลายก็จะจมไปกับความมืดนั้นโดยไม่รู้ตัวทีเดียวนะการที่เราอยู่ในความมืดและไม่รู้ตัวว่าอยู่กับความมืดอันนี้มันอันตรายมากนะเพราะว่ามันมืดมันใหญ่มันใหญ่มากนะพะมันใหญ่มากไปอยู่ตรงไหนมันก็มืดหมดมันก็เลยวนเ ว, ว, ว, ว, วียนอยู่มันใหญ่มันครอบคลุมหมดนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยประการอย่างนี้แหละ จึงต้องฟังผู้ที่ท่านรู้แล้วนะฉะนั้นจึงต้องมีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้ที่ทำลายอาวิชชาได้แล้วนั่นแหละเพราะว่าอาวิชชานี้เป็นความมืดที่ใหญ่ที่สุดเยนิดังสังสิตังจิรังอันเป็นเหตุให้สัตว์จมปลักอยู่สิ้นกาลนานนะความมือดอันนี้นะทำให้สัตว์จมอยู่สิ้นกาลนานสังสิตังแปลว่าจมอยู่ แล้วก็ยินดีที่จะจมจิรังสิ้นกาลนานตลอดกาลนานนะเราทั้งหลายยังอยู่ต่อไปอีกนานไหมยังอยากต่อไปอีกนานหรือเปล่าถ้ายังอยากต่อไปอีกนานก็เนี่ยคติของอวิชามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นมหาโมหะคือความมืดอันใหญ่วิชาคตาจะเยสัตตาส่วนสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่มีวิชาเกิดขึ้นแล้ว มีวิชาเป็นคติไปตามวิชาไปตามความรู้วิชาคตารู้ทุกรู้ทุกขะสมุทัยรู้ทุกขะนิโรธะรู้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานาะเตคัตฉันติปุณณพวังสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเข้าถึงความไม่เกิดอีกนะย่อมไม่ถึงการเกิดอีกไม่ต้องเกิดอีกแล้วปุณณพวังแปลว่าเกิดอีก มีพบใหม่อีกณคนะัดชันติย่อมไม่เข้าถึงย่อมไม่เข้าถึงการเกิดใหม่อีกนะครับอันนี้ก็สองคาถาสรุปนะสรุปตามหัวข้อที่พระองค์ตรัสเอาไว้เป็นการพิจารณาธรรมะอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ที่ว่าทุกเราใดเ้เราหนึ่งเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย อันนี้เป็นการตามรู้ข้างที่1เพราะการดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ย่อมไม่มีนี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองแล้วก็สรุปเป็นคาถาว่าชนทั้งหลายเหล่าใดย่อมเข้าถึงชาติมรณะและสังสาระซึ่งมีสภาพเป็นอย่างนี้และสภาพเป็นอย่างอื่นบ่อยๆ อวิชานั่นแหละเป็นคติของเขาเพราะว่าอาวิชานี้เป็นความมืดอันใหญ่ที่สุดเป็นเหตุให้สัตว์จมอยู่สิ้นกาลนานส่วนสัตว์เราใดเป็นผู้เข้าถึงวิชามีวิชาเกิดขึ้นไปตามคติของวิชาสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงการเกิดอีกนี้เป็นคู่ที่สามนะครับ ต่อไปก็คู่ที่สี่นะอ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะถันจะสิยายังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสับบางสังขาระปจยาติอายะเมกานุปัสนาสังขารานังตเววะอเสสะวิราคะนิโรธา นัตติลุคขสสะสัมภโวติอยังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาดวายตานุปัสสโนอถาปรังเอตะดวจะสัทธาข้อที่สี่ก็เหมือนเดิมนะตั้งคำถามขึ้นมาถ้าพึงมีคนถามว่าการตามรู้ธรรมะโดยมีสองข้าง โดยชอบในแง่มุมอื่นมีอยู่หรือเปล่าก็พึงตอบเขาว่ามีอยู่ถ้าถามว่ามีอยู่อย่างไรก็พึงตอบว่ายังกินจิทุก ข, ขังสัมโพติสับบางสังขารปั จ, จยาติอยเมกาณุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยดังนี้ นี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่งข้างทุกนะทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่มา ล, ลอยๆเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารคือการขวนขวายปรุงแต่งทำนั่นทำนี่เพื่อให้ได้มาเพื่อตัวเพื่อตนให้ตัวตนมันแข็งแรงขึ้นให้ตัวตนมันเที่ยงมันคงทนมันบังคับควบคุมได้หรือไม่ก็ คาดการได้ว่าตัวตนเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เคยปลุงกันอย่างนี้ไหมเคยขวนขวายทํากันหรือเปล่าอย่างนี้การขวนขวายทํากันอย่างนี้เขาเรียกว่าสังขารซึ่งตัวที่ก่อให้เกิดการขวนขวายอย่างนี้ก็คือความไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจากนั้นตอนนี้เราไม่มองที่อวิชาเราก็มามองอีกมุมหนึ่งคือมองที่การขวนขวายก็ได้ขวนขวายกันบ้างไหมขวนขวายเพื่อตัวตน ให้มันเที่ยงให้ตัวตนมันแน่นอนมั่นคงให้มันคงทนถาวรเป็นอย่างนี้ตลอดไปให้สามารถบังคับได้ควบคุมได้อยู่ในอำนาจควบคุมหรือไม่ก็อยู่ในการคาดเดานะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะดีขึ้นทำอย่างนี้แล้วจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนมันก็ขวนขวายหาวิธีอันนี้เขาเรียกว่าสังขารคือการปรุงแต่ง ปรุงแต่งทางกายกายสังขารปรุงแต่งทางวาจาวาจีสังขารปรุงแต่งทางใจมโนสังขารเคยทำกันไหมไม่ต้องห่วงเลยนะฉะนั้นถ้าจะทำก็ทำให้พอมีความรู้บ้างนิดหน่อยในแง่ที่ว่าทำให้มันดีก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆถึงจะทาดีแต่ขวนขวายทาเพื่อตัวเองให้เราเป็นสุขให้เรามีชีวิตที่คาดการได้ทำดีเยอะๆเพื่อจะไปสวรรค์ อันนี้ก็ยังตกอยู่ภายใต้อํานาจของความไม่รู้ยังเป็นความขวนขวายเพื่อให้ได้ทุกมานั่นเองขวนขวายเพื่อจะเกิดขวนขวายเพื่อจะจะได้ตายใหม่อย่างเนี้ยแต่จริงความเกิดนี้เป็นแดนเกิดของความทุกข์นะชาตินี้มันเป็นแดนเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์คล้ายๆกับเราขวนขวายเพื่อให้ได้ทุกมานั่นเองเหมือนที่เราทํากันมานานแล้วนะฉะนั้นศึกษาธรรมะก็ ให้งดงดบ้างนะให้รู้ว่ามีอีกข้างหนึ่งนะ <c oughs> ทํานองนี้บางคนก็เนี่ยขวนขวายทํากันแล้วเกินเพื่อตัวตนหน้าตาให้มันดีให้มันบังคับได้แม้กระทั่งมาปฏิบัติธรรมบางทีก็ยังทําอย่างนี้อยู่ไม่บางทีแหละส่วนใหญ่ด้วยซ้ําไปฉนั้นถ้าไม่รู้นี้ไม่สามารถที่จะละอะไรได้เลยนะต้องอาศัยความรู้เท่านั้นนะครับนะพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นที่ความรู้ที่วิชานะอันนี้ ก็เน้นหนักไปที่ตัวสังขารคือการขวนขวายเราก็ดูก็แล้วกันวนะ่าถ้ายังขวนขวายอยู่นะมันก็วนเวียนไปทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนะถ้าเรายังขวนขวายอยู่ยังพยายามจะทํานั่นทํานี่เพื่อตัวเองอยู่อันนี้ก็ทุกก็จะย่อมเกิดไปเรื่อยๆ อัจฉริยานุปัสสนานี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่งสังขารานางตเววะอเสสวิราคะนิโรธานัติทุกัสสสัมโวติอยังตุติยานุปัสสนาเพราะความดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งสังขาร น, นั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกย่อมไม่มีถ้าไม่มีความขวนขวายจะทำแล้ว ไม่มีสังขารไม่มีความขวนขวายไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปขวนขวายเพื่อให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของกองทุกก็ไม่มีให้มันดับสนิทไปนะอันนี้มองในแง่สังขารนะนะครับอันนี้เป็นการพิจารณาหรือว่าตามรู้ข้างที่สองนะครับมีการขวนขวายทําเพื่อตัวเองอย่างหนึ่งกับหมดความขวนขวายไป เราทั้งหลายคงมีเรื่องขวนขวายขยันทํานั่นทํานี่กันเยอะนะก็ลองดูก็แล้วกันถ้าหมดความขวนขวายเมื่อไหร่นะความเกิดขึ้นของกองทุกข์ก็ไม่มีเอวังสัมมาตวิยตานุปัสสโนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอถาปรังเอตานวจะสัทธาภิกษุผู้ที่มีปกติตามเห็นธรรมะที่มีสองข้างโดยชอบอยู่อย่างนี้เป็นคนไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลส มีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวเป็นไปแล้วก็ย่อมสามารถหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ในบรรดาผลสองอย่างคือเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือถ้ายังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีแล้วต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสเป็นคาถาในบาลีข้อ737กับ738 739อนะอ่านคาถาพร้อมกัน ยังกินจิตุกขังสัมโพติสับบางสังขาระปัจจะยาสังขารานังนิโรเทนะนัตติดุก ข, ขัสะสัมพโวเอตามาดีนวังยัตตวาดุกขังสังขาระปัจจะยาสับบสังขาระสมัธาสัญญานังอุปโรธนา เอวังดุขคโยโหติเอตังยะตวายะถาตถังสั ม, มัดสาเวดคุโนสัมมะดัญญายปันติตาอภิพูยยะมารสังโยขังนะคัจฉันติปุนัพภวันตินี่ก็เป็นรูปคาถานะครับรูปคาถาก็คล้ายๆกับเรื่องอวิชชาแต่ว่า ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยยังกินจิทุกขังสัมโพติสับบางสังขาระปัจจะยาสังขารานังนิโรเทนะนัตติทุกขสะสัมโวทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะความดับสนิทไปของสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นของทุกย่อมไม่มีน่ะ ยังกินจิตทุกขงังทุกอย่างใดอย่างหนึ่งสัมโพติย่อมเกิดขึ้นสับบางทุกทั้งปวงอันนั้นสังขาระป จ, จยาย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารานังนิโรเทนะเพราะความดับสนิทไปของสังขารทั้งหลายนิโรเทนะนิโรทะแปลว่าความดับสนิทนะดับสนิทไปของสังขาร น, นะครับ สำรอกสังขารคือการปรุงแต่งที่เป็นความขวนขวายเพื่อให้ตัวตนเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อให้มันเที่ยงมันมั่นคงเพื่อให้มันควบคุมคาดการบังคับได้ดูความรู้สึกของเราเป็นหลักในการขวนขวายเราเนี่ยเราขวนขวายใช้กายทำเพื่ออะไรเพื่อให้มันเที่ยงให้มันแน่นอนใช่ไหมให้มันมั่นคงขวนขวายจังให้มันควบคุมคาดการได้ ทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะจะขับรถทีก็ต้องไปถึงเวลานั้นเวลานี้มีเรื่องคาดการคาดเดาอะไรต่างๆาสแสวงหาหนทางอะไรต่างๆก็เพื่อให้มันคาดการคาดเดาได้อันนี้เป็นสังขารที่ปรุงขึ้นมาแต่ที่จริงมันแน่ไหมไม่แน่ทํานองนี้แต่ว่าเขานี่เวลามันปรุงแต่งไปแล้วมันก็ไปแล้วหลงลืมไปแล้วนะ ทุกอย่างได้อย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะความดับสนิทของสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นของทุกข์ย่อมไม่มีสัมพะวะแปลว่าความเกิดขึ้นนะต่อไปหน้าที่สบาลีข้อ738เอตามาดีนางยัตวาดุก ข, ขังสังขารปัจจยาสัพวสังขารสมาถา สัญญานังอุปรโรธนาเอวังดุขขคโยโหติเอตังยตวายถาตถังบุคคลรู้โทษอันนี้แล้วคือรู้ว่าทุกเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยได้เห็นโทษไหมโทษของความขวนขวายที่จะทำนั่นทำนี่ได้เห็นโทษไหมถ้าเห็นก็แสดงว่าเป็นคนมีความรู้ถ้าขวนขวายแล้วไม่เห็นโทษอันนี้นะ โอแสดงว่าอาวิชชาเต็มที่ทีเดียวขยั น, รรนนะยทำนี่นะขวนขวายทํานั่นทํานี่เห็นโทษมันหรือเปล่าโทษของความขวนขวายก็คือเพราะว่าถ้าขวนขวาย น, นี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะทุกข์อันใหม่ได้ชาติได้ชารามารณะมาเรื่อยๆอย่างนี้นะขวนขวายบุคคลรู้จักโทษอันนี้แล้วคือรู้จักว่าทุกขเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัย เี่ทุกมันเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยนะอันนี้เป็นโทษของสังขารคือการขวนขวายปรุงแต่งที่เราทําเพื่อตัวเองให้ตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่ให้มันมัน่นคงถาวรให้มันควบคุมได้โทษของมันโทษของอันนี้คือได้ทุกขอันใหม่มารู้จักโทษไหมเออถ้ารู้จักโทษมันก็จะละได้ถ้าไม่รู้จักโอไม่มีทางจะเป็นไปได้จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนนักหนานะอย่ามองโลกในแง่ดี แต่ว่ามองให้เห็นโทษของมันไม่ใช่ว่าแม้ฉันทําอย่างนี้อย่างนี้มันดีแล้วเกินไม่ใช่ไงต้องมองเห็นโทษของการกระทําอันนี้ว่าถ้าขวนขวายทําเมื่อไหร่ได้ทุกมานี่ต้องมองให้เห็นโทษแต่เราทุกวันนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้สอนมองโลกในแง่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดมันไม่ดีขนาดนี้ทิ้งมันไม่ได้นะไปมองในแง่ดีโอตายแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้มองเห็นโทษของมันนะฉะนั้นการมองเห็นโทษของมันเนี่ย ไม่ใช่เราไปโทษมันแต่มันมีโทษจริงๆเราก็มองให้เห็นโทษแต่ก่อนเรามืดอยู่เราไม่เห็นเราไปมองในแง่ดีมันก็มืดหนักกว่าเดิมอีกขนาดมันไม่ดียังไปมองมันในแง่ดีอีกโอ้ยตายแล้วมืดซ้ำมืดไปอีกเห็นไหมดังนั้นต้อมีแต่คนโง่ๆเท่า น, นั้นแหละที่สอนอย่างนั้นแล้วก็มีแต่คนโง่ๆเท่า น, นั้นแหละที่เชื่อเขาซึ่งเราคงจะชอบด้วยเพราะว่าสบายใจดีเขาว่าอย่างนี้ตายแล้วนะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร แต่ว่าก็ยกย่องกันไปก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่มนไม่พ้นทุกนะฉะนั้นต้องตามพระพุทธเจ้าดีสุดนะเอตามาดีนางยตวาทุก ข, ขังสังขาระปัจจญาบุคคลรู้โทษอันนี้แล้วคือทุกเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเนี่ยที่ไปขวนขวายขวนขวายนี้จะได้ทุกมานะเนี่ยต้องรู้โทษ สัพพะสังขารสมถะสัญญานังอุปโรธนาเพราะความดับสนิทของสังขารทุกอย่างความดับลงของสัญญามันจึงจะมีได้นะไม่อย่างนั้นแล้วท่านไปปรุงแต่งมันก็จะได้สัญญาความจำหมายผิดๆอย่างนั้นอย่างนี้เราเก่งอย่างนั้นเราเก่งอย่างนี้เราเป็นนั่นเป็นนี่เรามีนั่นมีนี่สาคัญอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา เรื่อยๆแท้ที่จริงไม่มีอะไรเป็นแค่สัญญาที่มันจําผิดๆจากการปรุงแต่งผิดๆเท่านั้นเองพอเลิกปรุงแต่งความปรุงแต่งขวนขวายสังขารสงบระงับไปความดับลงของสัญญามันก็มีขึ้นมันก็ไม่จําผิดๆแล้วนะเท่านั้นแหละที่เราจําผิดๆเพราะว่ามัวแต่ไปขวนขวายทํานั่นทํานี่พอทํานั่นทํานี่ได้เยอะรู้สึกว่าตัวเองเก่งไหมมันก็จําว่าตัวเองเก่งอีกตัวเองใหญ่ โอ้ตัวเองสําคัญอีกทําแล้วได้รับการยอมรับก็ น, นึกว่าแม้เราดีประเสริฐเหลือเกินมันก็จําว่าเราดีอีกโอ้ตายแล้วนะลำบากลําบนน่าดูเห็นไหมแท้ที่จริงไม่มีอะไรเป็นแค่กองทุกข์ทั้งนั้นแหละฉะนั้นเพราะสังขารสงบระ ง, งับไปโดยประการทั้งปวงสังขารทุกๆชนิดนะคือการขวนขวายที่จะทําเพื่อตัวตนเพื่อตัวเองขวนขวายนะคงรู้จักขวนขวายกันนะขวนขวายหาวิธี จัดการจัดแจงอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราจะใช้คำอันนี้เขาเรียกว่าสังขารนะครับเวลาสังขารเหล่านี้เวลาพูดถึงในหลักการที่เป็นปฏิจจสมุปบาทละเอียดเขาก็เรียกว่าอภิสังขารอย่างนี้ก็ได้ก็คือการจัดแจงขวนขวายจัดทำเพื่อตนเองนั่นเองทำดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่างๆแล้วแต่ที่เราเรียกชื่อันเป็นปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนชชาพิสังขา ร, น, าขารนั่นแหละ คือความรู้สึกที่ขวนขวายจะทําเพื่อตัวตนเพื่อเรานั่นแหละนะครับเพราะความสงบระงับไปของสังขารทั้งปวงความดับลงของสัญญาทั้งหลายจึงจะมีขึ้นเอวังนุกขัคโยโหติความสิ้นไปของทุกขก็ย่อมมีอย่างนี้แหละเอวังยัตตวายัตถาตถังผู้ที่รู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้อย่างทองแท้ถูกต้อง เนี่ยดับสังขารทั้งปวงเนี่ยความดับลงของสัญญามันก็มีมันก็ไม่มีเรื่องจําหมายผิดผิดอีกไม่มีเรื่องจาหมายผิดผิดความสิ้นของกองทุกก็มีอย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่ารู้อย่างทองแท้รู้อย่างถูกต้องทํานองนี้นะครับไม่ใช่ไปรู้แต่วิธีที่จะทำให้มันเที่ยงให้มันสุขให้มันดีอย่างนั้นนะพวกนั้นมันไม่รู้เลยมั่วไปเรื่อยนะ สงบระงับของสังขารโดยประการทั้งปวงนั่นแหละความดับลงของสัญญาทั้งหลายจึงมีได้ความสิ้นไปของทุกย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ผู้ที่รู้อย่างนี้ชื่อว่ารู้อย่างทองแท้ยะถาตะถังรู้อย่างทองแท้ความจริงมันเป็นอย่างไรโดยประการใดก็รู้มันโดยประการนั้นโดยอาการอย่างนั้นมันดับทุกได้โดยวิธีนี้ก็รู้ว่ามันดับได้โดยวิธีนี้ดับทุกได้โดยประการใดก็รู้โดยประการนั้น อันนี้เขาเรียกว่ายถาตัดถังยถาตัถานะ่ะถาก็คือโดยประการใดตัถาก็รู้โดยประการนั้น้าภาษาเราง่ายก็คือตามความจริงของมันมันจะดับตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้อันนี้รู้อย่างถ่องแท้ตรงถูกต้องตามที่มันเป็นนะสมมติสาเวณคุณโนสมมตดัญญายปัณฑิตาอภิภูยะ มาระสังโยคังนะัดชันติปูนัพวังบัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้เห็นโดยชอบผู้จบเวทแล้วเพราะรู้เห็นโดยชอบท่านจึงครอบงำเครื่องผูก ข, ของมารได้ย่อมไม่เข้าถึงพบใหม่อีกสัมมดดาดส่าแปลว่าเห็นโดยชอบสมมากับดสาเห็นโดยชอบโดยถูกต้องตรงตามที่เป็นจริง เวดคุโนจบเวทแล้วจบความรู้แล้วนะการคนที่จะจบเวทจบความรู้ก็คือรู้สิ่งต่างๆในโลกนะนะเพราะว่าโลกมันมีอะไรมากหรอกมันก็มีแค่สิ่งต่างๆที่เราได้มาจากกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบผัสสะแล้วเกิดเวทนาเท่านี้รู้จบเท่านี้ก็เรียกว่าจบเวทแล้วจบความรู้นะสุขเวทนาถูกต้องเข้าก็ไม่ยินดี ไม่เพลิดเพลินไม่ติดข้องนเนี่ยจบเวทและทุกขเวทนาถูกต้องเข้าก็ไม่ตีอกชกตัวไม่เจ็บปวดไม่ทุกร้อนอันนี้ก็จบเวทและอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ความเกิดดับเพยนาริยสัตจบเวทและมีอยู่เท่านี้โลกมีเท่านี้ท่านไปหาดูมันเกินกว่านี้ไหมไม่มีมีอยู่เท่านี้นะเรามันไม่จบเวทสักทีเพราะว่าไปหาอะไรก็ไม่รู้มันมั่วๆไปเลยวนเวียนไปเรื่อยนะ อย่างนี้ท่านที่เป็นบัณฑิตนี้เห็นโดยชอบจบเวทแล้วเพราะรู้โดยชอบจึงครอบงำเครื่องผูกของมารได้อภิพุยะยะแปลว่าครอบงำหมายถึงอยู่เหนือมันแล้วมันครอบงำท่านไม่ได้แล้วท่านครอบงำมันแทนนี่มาระสังโยคังมาระสังโยคามาระก็คือมารสังโยคะคือเครื่องผูกนะเครื่องผูกของมาร น, นะครับ เครื่องผูกของมารก็คือพวกกรมคุณอะไรต่างๆเหล่านี้ความดีอะไรต่างๆของดีๆที่เราจะได้ความสุขอะไรต่างๆอันนี้เป็นเครื่องผูกชั้นดีของมารทีเดียวนะมารชั้นดีที่สุดนี่เขาก็อยู่นู่นสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตว์สวัสดีนะเขาเรียกที่อยู่ของมารพญามารอยู่นั่นนะฉะนั้นพญามา น, นี่ไม่ใช่เด็กๆหรือว่าไม่ใช่กิกก๊อกนะเป็นเทวดาชั้นสูงที่สุด คือเทวดาชั้นที่6ชั้นปรานิ ม, มิตตวสวัสดีแล้วก็จะมีลูกสาวเขาที่มาย่อพระพุทธเจ้าน่รู้จักชื่อหลูกสาวเขาก็สวยๆทั้งนั้นนะครับแต่พวกเราที่ยังติดข้องอยู่เขาไม่มาหรอกเดี๋ยวรอให้เลิกก่อนเลิกติดข้องแล้วเขาจะมามาหลอกนะส่วนพวกที่ยังติดข้องอยากได้ความสุขอยากได้ความดีอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้บุญเนี่ยโอ้ยมันก็สบายใจเฉบเลยนอนตีพุิกินได้พวกแล้ว นะ่สบายเลยทํานองนี้นะฉะนั้นพวกที่ในลักษณะของมารก็คือจะชอบหลอกกันให้ชื่นชมยินดีแล้วก็มีความสุขเหมือนที่เราชอบกันก็คือพวกปรณิ ม, มิตรวะสวัตติก็คือมีคนอื่นเนรมิตรให้ตามใจเราเราต้องการความสุขคนอื่นก็เนรมิตให้เราต้องการบ้านที่ดีๆคนอื่นก็หาวิธีเนรมิตให้เพื่อให้เราเดินเข้าไปแล้วอมืมีความสุขทุกวันนี้มีเยอะไหม นะฉะนั้นไม่ถึงมือมาเรเราพวกเราเป็นมารกันเองไปก่อนเดี๋ยวเลิกจากพวกเรากันเองแล้วค่อยถึงมือมารดีหลังเนี่ยเป็นทำนองของพวกปรณิ ม, มิตตวะสวัสตตีคือพวกหมวดหมู่ของมารคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องคิดเองเหรอกคนอื่นเขาช่วยคิดให้หาวิธีหลอกให้เรายินดีคนอื่นเนรมิตคนอื่นทำให้เราก็ดูสิเนยคนอื่นเขาทำให้โฆษณาเขาทาให้เราเออแบบนี้ยู่นี้ เรานั่งนึกไม่ออกเลยพอมองดูแหมดีแล้วเกินนะคนอื่นมันทําให้เห็นไหมเนี่ยเป็นพวกพรรคพวกมาร น, นะครับเราคงจะชอบแบบนี้กันนาฉะนั้นถ้าชอบแบบนี้ก็ตกอยู่ภายใต้บ่วงมารแต่ท่านที่มีปัญญาไม่เป็นอย่างนี้นะท่านครอบงำเครื่องผูกของมารแล้วนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ไม่ต้องถึงกับเทวบุตรมารคือพวกพญามารชั้นสูงๆมาทําอะไรหรอกเอาแค่นี่วัตถุของมารเนี่ย โอ้ยแก่นี้ก็จมจะแย่อยู่แล้วตํานองนี้นะส่วนอริยาสาวกนั้นท่านข้ามพลเครื่องผูกของมารบ่วงของมารทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์ได้แล้วย่อมไม่เข้าถึงการเกิดอีกนะครับเนี่ยนะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องรู้จักเครื่องผูกของมารคือของหน้ายินดีหน้าชื่นชมโดยเฉพาะคนอื่นที่ทำให้เราถูกใจ อันนี้แหละเป็นมารชั้นสูงที่สุดนะถ้าเราทำให้ถูกใจตนเองอันนี้เป็นมารชั้นไม่ไม่สูงนักนิมมานาระรตีนะคือเนรมิตเอาเองตัวเองทำให้ตัวเองเป็นสุขแง่อันนี้ถ้าคนอื่นทำให้เราเป็นสุขนี่แมมมันมารชั้นสูงกว่ามาแนบเนียนกว่าเยอะทำนองนี้พอเข้าใจไหมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะทำนองของเครื่องผูกในแบบมนุษย์กับเครื่องผูกอันเป็นทิพ เครื่องผูกกันเป็นที่มันก็ละเอียดแล้วก็ดูสวยงามหรูหรากว่ามนุษย์มันก็หยาบกว่าเท่านั้นแหละแต่มันคล้า ย, ายกันนะนะครับทํานองนี้อันนี้ก็เป็นชุดที่4การตามรู้ธรรมะว่ามีอยู่สองขั้วชุดที่4คือรู้ว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยอันนี้เป็นข้างที่หนึ่ง ข้างที่2คือเพราะความดับสนิทโดยการสํารอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่ ง, งซึ่งสังขารทั้งหลายเล่านั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้อันนี้เป็นข้างที่สองต่อไปในหน้าที่3นะก็เป็นคู่ที่5นะครับอ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะ กะทันจัศยยายังกินจิตุ ข, ขังสัมโพติสับบังวิญญาณปัจจญาติอยะมีกานุปัสสนาวิญญาณสัตตเ ว, วะอา ส, สะวิราคะนิโรธานัตติดุขัต ส, สัสมพโวติอายังดุติยานุปัสสนา เอวังสัมมาดวยตานุปัสสิโนอถาปรังเอตะดาวจะสัทธาสิยาอันเยนปิปริยาเยนจนถึงกระถันจะสิยาก็เหมือนเดิมคือว่าถ้ามีผู้มาถามว่าการตามรู้ธรรมะว่ามีสองข้าง โดยปริยายอื่นหรือว่าในแง่มุมอื่นมีไหมก็พึงตอบเขาว่ามีถ้าเขาถามว่ามีอย่างไรก็พึงตอบเขาว่ายังกินจิตุก ข, ขังสัมโพติสับบางวิญญาณปัจจญาติอายะเมกานุปัสนาทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้อายะเมกานุปัสนานี้ เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่งนะข้างทุกทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดนะทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณสตะเววะอเสสวิราคานิโรธาัติดุขสสสัมโวติายังดุติยานุปศนาเพราะการดับสนิทไปโดยการสํารอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิญญาณนั้นนั่นแหละ ความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้อายังทุติยานุปัสสนานี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองเอวังสัมมาดวยตานุปัสสินโนเป็นต้นก็เหมือนเดิมนะก็หวังผลได้สองอย่างจนถึงพระองค์ตรัสคาถาสรุปความนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ห้านะข้างหนึ่งก็คือยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติ ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสับบางวิญญาณปัจจยาทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะอาวิเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนะทุกเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณคือการรู้อารมณ์สนใจอารมณ์นะถ้าเป็นแบบการเกิดแบบชาติทั่วไปของเราทั้งหลายก็ผ่านมาแล้วก็คือวิญญาณเก่าดับไปวิญญาณใหม่ก็เกิดขึ้นอันนี้ก็ จะเกิดกองทุกมาเรื่อยๆอันนี้เป็นวิญญาณตั้งแต่แรกทีนี้ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกความทุกข์มันจะมากหรือว่าจะน้อยมันก็อยู่กับวิญญาณของเราเหมือนกันถ้าวิญญาณไปอย่างลงในอารมณ์ใดแล้วก็ไม่ออกมาจากอารมณ์นั้นมันก็จะมีกองทุกเติบโตไปเรื่อยๆวนะิญญาณไปรับรู้รูปแล้วก็อย่างลงในรูปไม่ออกมาจากรูปนั้นสนใจใส่ใจอยู่กับรูปนั้น อันนี้กองทุกข์ก็เพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวก็มีการขวนขวายไปทำนั่นทนํานี่กองทุกข์เป็นไงก็มาแหละเริ่มมากมายนะได้ยินเสียงทางหูแล้วก็เป็นโสตวิญญาณวิญญาณอันนี้ไปย่งลงในเสียงและสนใจเสียงเป็นไงบ้างทุกข์ก็จะงอกขึ้นมามากมายทั้งทั้งที่เสียงไม่มีอะไรนะเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปที่เกิดขึ้นโสตวิญญาณก็ได้ยินเสียงนะ กระทบเสียงเกิดโสตวิญญาณคือการรับรู้เสียงขึ้นแล้วก็ดับไปแต่วิญญาณนี้มันไปอย่างลงในเสียงสักหน่อยมันก็จะสร้างกองทุกข์ขึ้นมามากมายนะฉะนั้นถ้าเราไปรับรู้สิ่งใดแล้วแล้วก็ไปอย่างลงในอันนั้นอันนี้แหละมันก็วนเวียนและก็เหมือนกับเราทั้งหลายนี่มีปฏิสนธิวิญญาณมาอย่างลงในรูปที่เป็นขั้นต้นเป็นธาตุของพ่อของแม่ก็มีวิญญาณมาอย่างลง พอวิญญาณมาหยั่งลงแล้วมันก็อยู่ในนี้เกิดดับสืบต่ออยู่ในนี้มันก็มีกองทุกข์มาเรื่อยๆนี่ทำนองนี้ทีนี้ถ้ามันจะกระจายตัวขยายตัวได้มากก็เกิดจากวิญญาณที่มันไปหยั่งลงอารมณ์ในรูปต่างๆแล้วก็ในสิ่งต่างๆในโลกนี้นะเราไปรู้รูปวิญญาณไปหยั่งลงสนใจในอันนั้นเป็นไงสร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกเยอะหมโอ้มากมายเหลือเกินทาเพื่ออันนั้น ทำเพื่อให้ได้เงินก็ทําทุจริตบ้างสุจริตบ้างอยากเป็นนั่นเป็นนี่ไปอย่างลงในเรื่องนั้นก็ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้มากมายเหลือเกินนะได้ทุกข์ขึ้นมาอีกเพียบนะครับนี่ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นมีวิญญาณเป็นปัจจัยถ้าวิญญาณมันไม่อยู่ในที่นั้นแล้วทุกข์มันก็ไม่มีแล้วมันไมก่ก่อตัวแล้วก็เหมือนกับสมมุติว่าในชาตินี้เราเกิดมาปั๊บปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้น เกิดดับสืบต่อแล้วมันไม่อยู่ในร่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทุกแบบนี้แล้วทํานองนี้ในทํานองเดียวกันกับในชีวิตธรรมดาธรรมดาของเราถ้าเรารับรู้อารมณ์ใดๆแล้ววิญญาณไม่ไปสนใจไม่ไปยั่งลงในเรื่องนั้นก็ไม่มีทุกเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ต้องสร้างทุกเกี่ยวกับเรื่องนั้นขึ้นมาอีกต่อไปนะอันนี้ก็จะพูดในแง่แบบพบชาติยาวนานหรือว่าจะพูดในแง่การสร้างกองทุกข์ขึ้นมาอันใหม่ๆจากชาติปัจจุบันอันเป็นเหตุกับ ผลที่จะได้รับต่อไปก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราทั้งหลายก็คงเป็นกันแล้วนะฉะนั้นเวลารับรู้ก็อย่าไปสนใจมากอย่าให้วิญญาณไปยังลงในที่ใดที่หนึ่งนะรู้แล้วก็แล้วไปรู้แล้วก็แล้วไปจบแล้วก็แล้วกันไปวิญญาณมันเป็นตัวรู้เท่านั้นเองนะแต่เราโดยทั่วไปไปยังลงในที่นั้นด้วยคือมันไปสนใจใส่ใจแล้วก็ไปจริงจังกับเรื่องนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามีวิญญาณไปยังลง พอมีวิญญาณไปยังลงก็เหมือนกับมีเมล็ดพืชนี้ไปยังลงในแผ่นดินพอมีเมล็ดพืชไปยังลงในแผ่นดินไปไงเอาแล้วกรรมก็ดีอะไรก็ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็จะเกิดขึ้นมาท่านคงเคยเห็นเขาเขียนปฏิจจสมุปบาทในแง่ที่มีเมล็ดไปยังลงในแผ่นดินแล้วก็มีงอกออกมาอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือวิญญาณไปยังลงในเรื่องใดในเรื่องนั้นถ้าสนใจเรื่องนั้นไม่ยอมปล่อยมันก็จะมีการสร้างกรรมเกี่ยวกับเรื่องนั้นอาศัยเรื่องนั้นแหละ แล้วมาสร้างกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างก็เอาแล้วเกิดการขวนขวายสังขารโอเพียบเลยเป็นงอกเป็นใบเป็นผลออกมาเพียบทีเดียวทานองนี้นะครับอันนี้ท่านจึงว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยดังนี้อเยเมกานุปัสนานี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่ง วิญญาณสตเววะอเสสวิราคนิโรธานัตติดุขศสะสัมภวเพราะความดับสนิทโดยการสำรอกให้หมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิญญาณ น, นั้นนั่นแหละนะไม่มีวิญญาณไปอย่างลงที่ใดที่หนึ่งวิญญาณเป็นแค่ธาตุรู้อารมณ์เป็นตัวรู้ไม่ให้มันไปอย่างลงที่ใดที่หนึ่งให้มันสำรอกหมดไปให้มันไม่มีส่วนเหลือหมดไปจนกระทั่งถ้าเป็นพระอรหันต์ปริญิพานก็ ไม่ต้องมารับรู้อะไรอีกแต่ถึงจะยังรับรู้อยู่ถ้าไม่ไปอย่างลงก็ไม่เป็นอะไรอีกเหมือนกันนะครับเพราะการดับสนิทไปโดยการสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิญญาณนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้อายังนุติยานุปัสนานี้เป็นการตามรู้อันที่สองข้างที่สองต่อไปก็สรุปเหมือนเดิม ถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้นะถ้าเมื่อไหรรับรู้อารมณ์แล้ววิญญาณไปอย่างลงสนใจเดี๋ยวมาแล้วฝ่ายเกิดทุกมาเพียบเลยถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจการไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ทําอะไรกับมันเรารับรู้มันดีหรือไม่ดีเราก็รับรู้แต่ว่าไม่มีความรู้สึกที่จะไปยังลงในเรื่องนั้นไม่มีความรู้สึกที่จะเอาตัวตนอะไรไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ผูกตัวเองไว้กับมัน เราผูกตัวเองไว้กับมันก็แสดงว่าวิญญาณของเรานี้ไปยั่งลงในนั้นแล้นะถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นแกนเป็นตัวเป็นตนมากท like well ี er of of lizard, ่สุดที่เรายึดถือมากที่สุดก็คือวิญญาณนี่แหละฉะนั้นท้ายกับว่าเราก็ไปยั่งตัวเองลงในนั้นคือวิญญาณนั่นเองนึกถึงเมื่อไหร่มันก็รู้สึกลึกลงไปในอันนั้นทำนองนี้นะฉะนั้นจึงมีเรื่องให้เป็นทุกข์แล้วก็มีเรื่องขวนขวายทำกรรมเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ในสิ่งที่วิญญาณไปยั่งลงนั้้นเเยยยอะะะแแมมาากกกกกลว็็ทุขจิดึ้น นะครับต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคาถาสรุปบาลีข้อ740กับ741อ่านพร้อมกันนะครับยังกินจิดุก ข, ขังสัมโพติสับบางวิญญาณปัจจยาวิญญาณสันิโรเทนะนัติดุขัสสะสัมพโวเอตมาดีนางยัตตวา ทุกขังวิญญาณะปัจจยาวิญญาณูปัสมาภิคุนิชฉาโตปริณิพุโตติยังกินจิทุกขังสัมโพติทุกอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสับบางวิญญาณะปัจจยาทุกทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณสันิโรเทนะเพราะความดับสนิทไปของวิญญาณนั้น นัติดุขัสสัมภโวความเกิดขึ้นของทุกขย่อมไม่มีเอตามาดีนวังยัตวาดุก ข, ขังวิญญาณปัจจยาภิษุทราบหรือว่ารู้ชัดโทษของอันนั้นโทษสิ่งนั้นแล้วคือรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะความสงบระงับไปของวิญญาณจึงเป็นผู้หายหิว หมดความอยากนิจฉาโตหายอยากหมดความหิวไปหมดความกระหายปรินิพุโตปรินิพานเย็นสนิทดับสนิทเรียบร้อยแล้วนะอันนี้สาหรับภิกษุหรือว่าท่านที่เห็นโทษอันนั้นโทษอันนั้นคืออะไรคือทุกเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเวลาเราไปใส่ใจสนใจเรื่องอะไรเคยเห็นโทษมั้ย แม้ดีเหลือเกินไปสนใจเรื่องชาวบ้านเขานี่สนใจจะช่วยคนนั้นคนนี้แม้เขายากจนไปสนใจจะช่วยเขานี่ดีไหมเออนะนั่นแหละทุกเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยฉะนั้นคนยากจนเราไปช่วยเขาก็ได้แต่อย่าไปยั่งลงในเขานั้นอย่าไปใส่ใจเขาว่าเราจะต้องช่วยเขาใส่ใจว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมโลกจะต้องช่วยเขาเราไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นหรอกนะ เรามีหน้าที่มาทำตนให้มันพ้นจากทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่มีหน้าที่ไปสงสารคนนั้นคนนี้ตัวเองทุก์จะตายอยู่แล้วยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีอยู่เพราะได้ไปสงสารชาวบ้านโอ้อยางนี้มันไม่สงสารตัวเองเลยทำนองนี้นี่เห็นโทษอย่างนี้บ้างไหมโอ้บางคนเขาไม่ค่อยเห็นโอ้คนยากจนเขาก็ไปช่วยอย่างโน้นอย่างนี้อ่า คนนั้นไม่ดีสังคมไม่ดีก็ไปช่วยไปอย่างลงไปเรียนรู้หาเหตุหาผลว่าเออยังไงจะช่วยสังคมได้อย่างนั้นอย่างนี้ดูดีไหมเออทำไปเยอะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นโทษนะเห็นโทษอันนี้ว่าทุกมันมาเพราะวิญญาณเป็นปัจจยัยไม่ใช่ ว่าสนใจเขาแล้วไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจารณ์นั้นวิจารณ์นี้เยอะๆช่วยเขาเยอะๆแล้วมันจะดีที่ไหนทุกเนะีทุกมันเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยฉนันอย่าไปสนใจเขาเขาทุกก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนะีเราจะช่วยเขาในแง่วัตถุแง่อะไรต่างๆแล้วก็ช่วยไปแต่ว่าไม่ไปอย่างลงในเขานะไม่ได้เอาความรู้สึกของเขามาเป็นเครื่องยึดถืออะไรต่างๆทํานองนี้ เพโลกมันมีอยู่เท่านี้แหละมีคนยากจนบ้างมีคนร่ํารวยบ้างจะให้มันดีไปกว่านี้มันไม่ได้หรอกนะมีแต่ความเพอ้อฝันเท่านั้นแหละที่เป็นอย่างนั้นส่วนพวกเพอ้อฝันเขาก็ไปหยั่งลงไปทั่วนะเนี่ยวิญญาณมันหยั่งลงใช่ไหมมันหยั่งลงไปในเรื่องนั้นสักหน่อยมันก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เป็นทุกข์ขึ้นมามากมายแล้วก็สร้างกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ได้เกิดนะสร้างกรรมดีก็ได้เกิดเกิดก็กองทุกข์อีกนั่นแหละอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเข้าใจดีๆ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นโทษอันนั้นนะโทษอันนั้นที่ไปสใส่ใจสนใจช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่สอนให้เราเห็นแก่ตัวอะไรสอนให้เห็นความจริงเท่านั้นเองทํานองนี้นะนะรู้โทษอันนั้นแล้วคือทุกเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนะเพราะความดับสนิทไปของวิญญาณจึงจะเป็นผู้หายหิวนิจชาโตเป็นผู้หายหิวไม่อย่างนั้นเราก็จะหิวไปเรื่อยหิว หิวคำชมหิวตัวเองจะได้รู้สึกเป็นคนดี <c oughs> ก็ต้องบริจาคทำนั่นทานี่ให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีจิตเมตตาคอยช่วยเหลือคนอื่นเป็นผู้ประทานความช่วยเหลือให้คนนั้นคนนี้ช่วยเหลือสังคมอะไรก็ว่ากันไปนะ <c oughs> ช่วยให้มันดีขึ้นหรือเร็วลงก็ไม่รู้ละ ว, ว่ากันไปแต่ว่ามันหิวนะ่ยมันยอมไม่ได้หรอกคนพวกนั้นนะครับฉะนั้นต้องรู้จัก ตามที่มันเป็นจริงถ้าดับสนิทไปของวิญญาณที่ไปอย่างลงนั่นหลังลงนี่ใจมันก็จะหายหิวหมดความอยากเขาทุกข์ก็ทุกข์ไปเราไม่ได้อยากให้เขาไม่เป็นทุกข์อะไรเขาสุขก็สุขไปเราไม่ได้อยากนั่นอยากนี่อะไรหายหิวแล้วนีนิชชาโตแปลว่าหายหิวหมดความอยากหมดตัณหาพอหายหิวหมดความอยากหมดตัณหาก็ปรินิพุโตปรินิพานเย็นสนิท ด, ดับสนิทของกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีทุกข์แล้ว อย่างนี้นะครับอันนี้เห็นไหมในเรื่องต่างๆพระพุทธเจ้าแสดงให้แต่เห็นโทษนะไม่ได้แสดงว่าให้มองในแง่ดีแง่อะไรนักหนานะครับฉะนั้นเราก็ให้มองให้เห็นความจริงนะครับมองเห็นโทษไม่ใช่มองมันในแง่ร้ายหรอกหมายถึงว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็มองให้มันเห็นความจริงนะเราทั้งหลายมามองในแง่ดีเยอะแล้วเพราะว่าอาวิชชามันมัน ทำให้เรามืดบอดโลกมันไม่มีอะไรน่ายึดถือเลยแต่ว่าเราก็พากันหลงยึดถือนะโลกมันไม่ค่อยมีอะไรสวยๆงามๆนักหนาหรอกแต่เรานี่กว่าจะได้ดูสวยงามครั้งหนึ่งนี่โอ้ไปตั้งไกลนะไปดูสมมติเราไปดูดอกไม้อย่างนี้นะไปดูดอกไม้สักดอกหนึ่งที่เมืองเหนืออะไรนี่นะโอ้โลกมีอะไรสวยงามให้เราดูทั้งเยอะเขาว่าอย่างนี้นะกว่าจะได้ดูดอกหนึ่งเป็นไงอู้ตั้งนาน มันลืมคิดไปทำนองนี้นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับต่อไปในคู่ที่6นะคู่ที่6ก็ ค, คล้ายๆเดิมแล้วนะถ้าเข้าใจคู่ต้นๆแล้วก็จะเข้าใจคู่ต่อๆมาได้นะครับคู่ที่6อ่านพร้อมกันสิยาอันเยนะปิปริยาเยนะกะถันจะสิยา ยังกินจิตุ ข, ขังสัมโพติสับบางผัสสะปัจจยาติอายะเมกานุปัสนาภัสสะเตเววะอาศะวิราคะนิโรธานัติดุขัดสะสัมพโวติอะยังดุติยานุปัสนาเอวังสัมมาดวายานุปัสสิโน อถาปรังเอตนาโวจะสัทถาอันนี้ก็เหมือนเดิมถ้ามีคนถามขึ้นมาว่าการตามรู้ว่าธรรมะมีสองข้างในแง่มุมอื่นยังมีอีกไหมก็พึงตอบเขาว่ามีอยู่ถ้าถามว่ามีอยู่อย่างไรก็พึงตอบเขาว่ายังกินจิดุขขังสัมโพติสับบังภัสปัจจยาติอายเมีกานุปัสนา ทุกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนะอายเมกาอนุปัสนานี้เป็นการตามดูข้างที่หนึ่งเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนะครับถ้าไม่มีผัสสะชนิดนี้ชนิดนี้ทุกชนิดนี้ชนิดนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นเวลาที่ทุกมันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะว่ามีผัสสะทั้งนั้น ถ้าไม่มีผัสสะเกิดขึ้นเราก็ไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นน่ะอาศัยตากระทบกับรูปเกิดจากขุวิญญาณธรรมะสามประการรวมกันอันนี้เป็นผัสสะก็รับรู้ว่ามีทุกชนิดนี้ชนิดนี้ขึ้นก็เป็นของไร้แก่นสารเหมือนกันอาศัยหูกระทบเสียงเกิดโสตะวิญญาณขึ้นธรรมะสามประการรวมกันอันนี้เป็นผัสสะก็รับรู้ว่ามีอันนี้อันนี้เกิดขึ้นก็เป็นทุกเหมือนกัน อาศัยใจกระทบกับธรรมารมณ์ที่รับรู้ได้ทางใจเกิดมโนวิญญาณขึ้นสามประการรวมกันอันนี้เป็นผัสสะมีอยู่เท่านี้แหละไม่มีอะไรเกิดนี้นะครับก็เป็นกองทุกผัสสะสะตววะอาศะวิราคะนิโรธานัตินุคตสะสัมโวติออยังดุติยานุปัสนาเพราะความดับสนิทโดยการสัรอกโดยไม่มีส่วนเหลือซึ่งผัสสะนั้นนั่นแหละ ความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้อายางตุติยานุปัสสนานี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองดับสนิทให้ไม่มีส่วนเหลือซึ่งผัสสะชนิดนั้นๆแล้วแต่ว่าผัสสะเรื่องอะไรเริ่มตั้งแต่ผัสสะที่เลวร้ายรุนแรงผัสสะในนรกถ้ามันดับสนิทผัสสะชนิดนั้นไปทุกชนิดนั้นๆก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งไล่ไปเรื่อยจนหมดทํานองนี้เพราะว่า ทุกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากพัทธะมันมีแต่เป็นไปอย่างนี้ทํานองนี้นะครับฉะนั้นตัวพวกอายาตนานี้มันเป็นตัวกระจายทุกข์ถ้าเราไม่รู้นะตัวกระจายทุกข์ให้มันแตกแขนงไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรตัวเราก็เป็นทุกข์อยู่แล้วข้างนอกก็เป็นทุกข์มากระทบกันก็เป็นทุกข์ที่กระทบกันเป็นเพียงสภาวะที่เป็นธาตุแล้วก็แตกกระจายไปเรื่อยถ้าเราไม่รู้วิญญาณก็ไปอย่างลงในที่นั้นอย่างลงในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เกิดการขวนขวายทำกรรมมันใหม่เป็นไงบ้างโอ้โ oh หตุกกระจายกันไปมากมายเหลือเกินทํานองนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมีสติมีปัญญารู้ว่ายังมีอีกข้างหนึ่งเราก็จะได้ระวังนะฉะนั้นการรู้จักตามรู้ตามดูพิจารณาดัางนี้ก็จะมีประโยชน์แก่เราทั้งหลายถ้าหลงลืมอยู่ก็นึกอันไหนได้ก็จะได้มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาหรือว่าบางครั้งไปอย่างลงเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแล้วก็จะได้รู้ว่า โอ้นี่นอันนี้มีโทษคือทุกเกิดขึ้นเพราะอันนี้นั่นแหละนี่ไปขวนขวายทํานั่นทํานี่เยอะก็จะได้รู้ว่าโอ้นี่นี่โทษของมันเป็นอย่างนี้คือทุกเกิดขึ้นเพราะอันนี้นั่นแหละไม่ใช่ประโยชน์จะเกิดขึ้นนะ ท, ทุกเกิดขึ้นเพราะอันนั้นนั่นแหละเนี่ยจะได้มองเห็นโทษของมันบ้างไม่ใช่มองแต่ในแง่ดีว่าแหมทําแล้วดีทําแล้วคนยอมรับทําแล้วได้เงินทําแล้วได้นั่นได้นี่ อนแง่ดีคงไม่ต้องสอนแล้วเนาะคงจะมองเป็นกันทุกคนอยู่แล้วหละนะจัดนั้นบางคนนี่เขาให้คนอื่นมาสอนมองในแง่ดีนะทั้งๆที่เขานี่ก็เกิดมานี่มองในแง่ดีตลอดมานานแล้วเขามาสอนให้เรามองในแง่ดีเพิ่มอีกเป็นไงอเอาความมืดมาใส่อีกสองชั้นตัวเองมองในแง่ดีจะแย่อยู่แล้วนะก็เรามองดูสินะมีแต่ของหน้าเอาของอะไรทั้งนั้นเลยจริงๆมันน้าเอาไหมไม่น่านี่ก็แสดงว่าเรามองในแง่ดีอยู่แล้ว นะบางคนก็พยายามให้เรากระตุ้นเราให้มีตัวมีตนมีความเชื่อมั่นในตัวเองอะไรต่างๆแต่ที่จริงไม่ต้องกระตุ้นให้มันมีตัวตนหรอกเพราะมันมีตัวตนมันตั้งแต่เดิมแล้วต้องมาบอกว่าให้เลิกมีตัวตนไปซะเลิกคิดว่ายิ่งใหญ่ไปซะแต่เวลาเขาสอนท่านนะจิตวิทยายุคใหม่ๆเขาก็มากระตุ้นเตือนให้ท่านว่าท่านมีความสามารถนะทานั่นได้ทํานี่ได้ดูดีไหมเออทําไปเถอะท่านเลยย่อมไม่พ้ไปจากทุกข์ นี่มันไม่รู้จากโทษมันเป็นอย่างนี้แหละทั้งทที่เราเกิดมานี่มันก็ใส่ตัวตนมาทั้งเยอะแล้วฉะนั้นเวลาเราพูดนี่ไม่ต้องพูดใส่ตัวตนเข้าไปต้องพูดว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่เที่ยงไม่ใช่หาวิธีควบคุมไม่ใช่หาคนมากระตุ้นให้เรามีตัวตนเยอะขึ้นก็เรามีตัวตนตั้งเยอะแล้วฉะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือเราเชื่อมั่นเยอะเกินไปนั่นแหละฉะนั้นต้องลดความเชื่อมั่นลง ทำนองนี้ไม่ใช่หาคนมาบอกให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นนี่มันเกินเลยเถิดไปไกลมากแล้วนะก็ว่ากันไปนะนะครับพูดถึงเรื่องการพิจารณามองดูธรรมะสองคั่วในชุดที่หกแหละก็คือยังกินจิทุกขังสัมโพติสับบงางภัสสะปัจญาติอายะมีการุปัสนา อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นทุกทั้งปวงนั้นย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดังนี้นี้เป็นการตามรู้ข้างที่หนึ่งผัสสะตเววะอเสสวิราคะนิโรธานัติดุขัสสะสัมโวติออยังทุติยานุปัสนาเพราะความดับสนิทไปโดยการสำรอกให้หมดไปไม่มีส่วนเหลือซึ่งผัสสะนั้นนั่นแหละความเกิดขึ้นของทุกข์ก็ย่อมไม่มีดังนี้ นี้เป็นการตามรู้ข้างที่สองแล้วก็สรุปเหมือนเดิมคือว่าถ้าพิจารณาได้อย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นก็สามารถหวังผลได้นะอันนี้ต่อไปก็จะสรุปเป็นคาถาในบาลีข้อ742กับ743อ่านพร้อมกันนะครับเตสังผัสสะประเรตานังภวะโสตานุสารินังกุมมัคะ ปฏิปันนานังอาราสังโยชนักโยเยจะพัสสังปริญญายะอัญญายุปสเมราตาเตปิพัสสะพิสมะยานิชขาตาปรินิพุตตาตินะเตสังพัสสะเปรตานัง ภาวะโสตานุสารินังกุมมะขะปฏิปันนานังอาราสังโยชนักโยความสิ้นไปของสังโยช์คือเครื่องผูกเป็นสิ่งห่างไกลสำหรับชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่ถูกผัสสะบังตาอยู่ผัสสะเปรเตานังถูกผัสสะครอบงำถูกผัสสะบังตาาไว้นะไม่เห็นความจริงของผัสสะแต่ที่จริงไม่มีอะไรนะ ตากระทบกับรูปจักขวิญญาณก็เกิดขึ้นธรรมะสามประการรวมกันเป็นผัสสะเขาถูกผัสสะบังตาก็รู้สึกว่าเราเห็นเราเห็นคนอื่นอะไรก็ว่ากันไปมีเรามีคนอื่นมีเราเห็นคนอื่นถูกผัสสะบังตาแท้ที่จริงธรรมะสามประการรวมกันเท่านั้นเองเป็นผัสสะไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นเขาถูกผัสสะบังตาถูกผัสสะครอบงา ภวะโสตานุสารินังผู้เล่นไปตามกระแสของภพเล่นไปตามกระแสของภพต่างๆในภพโน้นในภพนี้ไปกระทําอันนั้นอันนี้สวยงามไม่สวยงามก็เล่นไปกุมมัคคะปฏิมา น, นานังดําเนินไปในทางผิดนี่ความสิ้นไปของสัญ ญ, ญาตเป็นของห่างไกลสําหรับชนทั้งหลายเหล่านั้นผู้ที่สุขภัตสบังตา แล่นไปอยู่ตามกระแสของพบแล้วก็ดำเนินไปในทางผิดใช่ั้ยความสิ้นไปของเครื่องผูกนี่นะเป็นเรื่องห่างไกลามากคือเขาไม่สามารถจะหมดเครื่องผูกได้เขาก็ถูกผูกไปเรื่อยเพราะว่าถูกผัดสะครอบงำสูกผัดสะบังตาเอาเยจะผัดสังปริญญายะอัญญายุปสมรตา ส่วนชนทั้งหลายเราใดได้รอบรู้ผัสสะอันนั้นแล้วได้รอบรู้รู้จักผัสสะว่าผัสสะนั้นมันไม่มีตัวตนนะเป็นแค่ธรรมะสามประการรวมกันเกิดขึ้นก็สมมุติเรียกว่าผัสสะเท่านั้นเองก็ล้วนเป็นทุกข์ทั้งหมดใจกระทบกับธรรมารมณ์เกิดมโนวิญญาณขึ้นธรรมะสามประการรวมกันเป็นผัสสะเท่านี้นนะเป็นของที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเกิดแล้วก็ดับ รอบรู้ผัสสะแล้วก็ยินดีในธรรมเป็นที่สงบระงับด้วยปัญญาอัญญายุปสมีรตารตาแปลว่ายินดีมายินดีอีกทางหนึ่งยินดีในธรรมะอันสงบระงับด้วยปัญญาเตปิผัสสะพิสมญานิชขาตาปรินิพุตตาชนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะ เขาได้รู้แจ้งแทงตลอดผัดสะแล้วจึงเป็นผู้หายหิวปรินิพานไปหมดตัณหาแล้วก็ดับสนิทเย็นสนิทไปแล้วปรินิพานไปส่วนสําหรับพวกที่ถูกผัดสะบังตาเล่นไปตามกระแสของภพวพวกนั้นเขาดําเนินไปตามทางผิดก็ห่างไกลาจากความสิ้นไปของสัญญอดห่างไกลามาก ฉะนั้นเราทั้งหลายถ้ายังหลงไปตามผัสสะนะหลงถูกผัสสะบังตาเอาเนี่โอ้ยเห็นเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองได้ยินเกิดขึ้นเป็นครั้งคลั้งเท่านั้นเองกลายเป็นเราเห็นเห็นคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ตายเลยอย่างนี้นะถูกผัสสะบังตาแล้วแล่นไปตามกระแสของภพดีบ้างไม่ดีบ้างถูกบ้างผิดบ้างอันนั้นเป็นทางผิดก็ห่างไกลาจาก ความสิ้นไปของสัญญอดไม่มีทางสิ้นสัญญอดได้นะครับเอาละวันนี้ก็เรียนได้6คู่ด้วยกันนะท่านก็คงจะพอมองภาพออกแล้วนะครับก็ลองไปอ่านอันอื่นๆ ด, ด, ดูแล้วค่อยมาเรียนคลาวต่อไปในเดือนหน้านะครับวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้อนุโมทนาทุกท่าน